เพราะความเจริญในธรรมจุมยิดท่านผู้ฟังทลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องการพิจารณาปัจจยยการมาช่วงหนึ่งและมาเสริมด้วยปัจจัยประกอบก่อนที่จะสัสรุปซึ่งนำมารับสั่งเล่าไว้ในพระสูตรต่ตางๆ ในช่วงต่อไปเห็นจะดาเนินไปตามรายละเอียดในปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่าให้ใหประณีตยิ่งขึ้นสืบต่อจากที่ตะกราวไว้ในวันของก่อนปฏิจจสมุปบาทมีอาธิบายอย่างไรคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่า ร, รมที่อาศัยการและการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโซ่ของชีวิตเป็นระบบกำเนิดชีวิตหรือกฎเกณฑ์แห่งชีวิตที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าชีวิตทุกชีวิตมีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันและการเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ปัจจัยสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นติดตามมาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักเบื้องต้นไม่รู้จักเบื้องปลายตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในนิทานนวักว่าทุกคนภิกสุทั้งหลายสงสารคือการเวทว่ายแต่เกิดแห่งชีวิตนี้ไม่รู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายเรนนี้ท่านจึงเรียกว่าปฏิจจสมะว่าองค์แห่งพบหรือภาวจักเป็ลนลักษณะของวงกลุ่ม ที่หมุนนุ่นเนื่องกันไปตามกระบวนการของกิเลสกรรมวิบัติเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุและทำกรรมทํากรรมก็รับผลของกรรมรับผลของกรรมก็กิเลสก็เกิดขึ้นใหม่ก็ทํากรรมใหม่แล้วเกิดผลขึ้นมาใหม่ก็ทํานองใล้ยๆกับการรับประทานอาหารการแต่งเนื้อแต่งตัวการนิยมชมชอบสิ่งต่างๆที่เราทําอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราแยกระดับ ระบบความคิดออกไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกิเลสมันมีกรรมและมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาเราก็พอใจในผลความพอใจนั้นก็เก็บสะสมไว้ไปในจิตต่อมาก็อาจจะมีสิ่งกระตุ้นมาจากข้างนอกหรืออาจจะเดี๋ยวนึกสึกนึกขึ้นมาเองแล้วก็กระทำกรรมอีกก็เกิดผลขึ้นมาอีกแล้วก็พอใจในผลก็เก็บไปอีก ก็ เ, เรียกว่าสะสมไว้ในจิตสันดานผ่านภพชาติต่างๆไปน็นน่อมาและการในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นทรงจำแนกไว้สามประการด้วยกันเป็นพระพุทธธรรมที่สัตย์เองคือทรงแสดงธรรมเ พ, พื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาปวดรู้ปวดเห็น แต่วัวุทีภาวะของคนนั้นจะต้องสามารถรู้สามารถเห็นในเรื่องนั้นๆั้นเรื่องที่จริงก็มันไม่มากหรอกเพียงแต่ว่าจิตของมนุษย์เป็นวิจิตวันธรรมะ ก, ก็ต้องแสดงให้วิจิตตามออกไปพอจิตวิจิตทิฏฐิวิจิตจ ต, ตันหาวิจิตเปนวจิตไปเยอะตัวนี้มันก็ตามไป แต่โดยเนื้อหาสาระก็คือเพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้คนรเห็นและเขาต้องสามารถรู้สามารถเห็นพระธรรมเทศนาจะมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือคล้อยตามจริตตัฏฐยาศัยของคนแล้วก็เป็นโวหารเทศนาคือใช้การแสดงที่หลากหลายด้วยภาษาที่นํามาสื่อสาร ประสงค์แสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามแล้วถ้าให้ดีเนี่ยคือปฏิบัติตามแล้วจะสัมผัสอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เคยสัมผัสแต่ของพระเจ้าสมบูรณ์เขาเราไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเช่นเวลาปฏิบัติอะไรตามเพึ่งสังเกตเนะเช่นสมมติว่าสามีกับพัรยาทำหน้าที่ของกันและกันตามหลักที่งแสดงไว้ในทิฏฐ์ เจนสามียกย่องนับถือสถานะปัญญาไม่ดูหมิดปัญญาไม่นอกใจปัญญามอบความเป็นใหญ่ให้ให้ของขวัญให้ของขวักให้รางวัลต่างๆเป็นการแสดงถึงปัญญาในการครองใจคนเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องความบริสุทธิ์ใจความจริงใจที่ตนมีต่อปัญญาตนเองเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องความรักความหวังดีต่อปัญญาของตน ก็สามารถครองใจเธอไว้ได้ไปพัญญาเองก็จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจสามีภาษาทรัพย์ที่สมบัติสมบัติที่สามีหามาได้ไปด้วยความเรียบร้อยรู้จักบริหารจัดการให้เป็นไปได้วยดีแล้วก็ข ย, ยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งพวง แต่อย่างเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องความบริสุทธิ์ใจความจริงใจแล้วก็ความรักความมุ่งดีต่อสามีก็กลายเป็นใจที่ประสานใจแต่เนื้อหาสาระของธรรมะเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราสงเคราะห์เข้าในคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือปัญญาคุณบริสุทธิคุณแล้วก็มหากุณาคุณเปี่ยงแต่ว่าระดับการครองเรือนมันก็สัมผัสได้ระดับหนึ่ง ก็สามารถจะคลองเรื่องคลองสุขได้แล้วแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะเกิดความกระตือรือร้นเกิดความมุ่งมั่นที่จะสัมผัสผลในลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็เพีย น, นพยายามปฏิบัติต่อไปแล้วผลที่สูงก็จะเกิดขึ้นไปโดยลําดับ้นทรงสแสดงมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วก็จะเห็นจริง ทีนี้พอเห็นเนี่ยมันก็บอกกล่าวใครไม่ได้มันเหมือนสัมผัสตรงทางประสาทสัมผัสเชนว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเอาค็จริงเราก็บอกใครไม่ได้วานยังไงเปรี้ยวอย่างไงเค็มยังไงมันยังไงก็ต้องส่งให้เขารับประทานมาเองธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนัน้แต่ที่แน่นอนที่สุดคือคาสอนนั้นอัศจรรย์มันเป็นสัจธรรม ที่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามจะรับผลตามสมควรแก่เหตุแต่ว่าก็ทรงแสดงเหตุเพื่อผลสูงสุดเอาไว้และผลสูงสุดก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเดินไปถึงหรือไม่แต่นั้นเด็กตามน้องแผนที่เดินทางที่บอกทางไปเชียงใหม่ไว้ให้ เราก็เดินทางขึ้นเหนือไปตามเส้นทางที่จะไปเชียงใหม่ก็ไปตามลําดับนะฮะไม่ถึงเชียงใหม่ก็ไม่ได้หมายความมาเชียงใหม่ไม่มีเชียงใหม่ก็ยังมีเพียงแต่ว่าเราไปไม่ถึงเราไปยังไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ที่จริงก็กใกล้ขึ้นสมาในภาคของการปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้น เป็นการมีเราทำที่ตายระดับขึ้นไปเรื่อยๆรูปเป็นขั้นบันไดแม้ใ น, นในเรื่องเดียวเนี่ยเช่นาทาจีต่อคนหรืสิ่งมีชีวิตในดับของศีลเนี่ยขอเพียงแต่ว่าอย่าฆ่าก็พอแต่ถามมัทธะฆ่านั้นผิดศีลอย่างเดียวหรือผิดธรรมะด้วยมันก็ผิดธรรมะด้วยแต่ว่ามาต ร, กา ร, ารการของศีลเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติ ที่จะต้องมีการให้โทษให้คุณกันแต่ว่าเป็นเรื่องโทษคุณที่คนนั้นประจักษ์ด้วยตัวเองเป็นไว้แต่ในบางกรณีที่มันไปเกี่ยวข้องกับอาญาของแผ่นดินเจนว่าการฆ่าคนการลักทรัพย์การหลอกลวงต้มตุนการจุดข้าวนาจารย์ซึ่งที่จริงมันก็ผิดศีลสีส่ข้อ แต่พอดีมันไปผิดกฎหมายบ้านเมืองมาผิดสินลไปแล้วก็คือผิดทันทีสีนนั่นมันผิดทันทีแต่กฎหมายบ้านเมืองก็จะผ่านลําดับขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนในการพิพากษาวินิจฉัยก็ผ่านขั้นตอนไปตามที่ทางกําหนดเอาไว้ในเรื่องนั้นๆตอนั้นปฏิจจสมุปาทเนี่ยจึงทรงมีวิธีแสดงให้สมควรแก่ฐานะของบุคคล เกิดทำให้ทรงแสดงปฏิจจสมบาทเมื่อเราสังเกตดูให้หมดแล้วมันก็มีแนวหลักอยู่สีแนวแนวหนึ่งคือแสดงจากเบื้องต้นไปตามลำดับจนถึงชราและมรณนะก็ตามโครงสร้างที่ว่าอาวิชาาวชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารในปัจจัยเกิดปัญ ญ, ญาแล้วก็ฝลายเ้ื่อยไปชร า, าโานสโกรปรเทวตุกทโมนตุปายาสนะฮะคือส่วนของทุกขสัจ และทรงสแสดงจากปลายคือชราบารณะจากอุปยาสมานี้แหละแล้วก็ขึ้นมาถึงอวิชชาอันหนึ่งทรงสแสดงช่วงกลางเ อ, อซึ่งมักจะเป็นผัสสะบ้างเวทนาบ้างตัณหาบ้างาอย่างใอย่างหนึ่งแล้วก็เวียนขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้นะคระับพตรงนี้เราจะลืมว่าผัสสะนั้นเป็นอภิญญากฤิเวทนาก็เป็นอภิญญากฤิคือเรียกว่า อภิากตาธรรมตนานานั้นเป็นผู้สมุทัยสัตว์ทีนี้ตัวภาษากระเบทานานั้นที่จริงก็เป็นทุกขสัตว์ตกลงว่าไอ้คู่เนี้ยมันก็มีทั้งทุกขทั้งสมุทัยว่ราะแสดงโยกขึ้นก็ได้โยกลงก็ได้แต่โยกไปทางหัวก็ไปเจอกับภูมิดียวกันก็คืออวิชากับสังขารบิญญาณ ถ้าไปลงข้างล่างมันก็ไปเจอชาติกับเจอพบมาเจออุปาทานพบชาติก็คือกิเลส ก, กับกรรมเช่นเดียวกันก็นำไปสู่ความทุกข์คือชาติชารามนัสโกะแล้วก็ทรงแสดงจากช่วงกลางจะเรียงลำดับมหาชารามนาัหคือแทนที่จะขึ้นไปที่หัวมันก็ลงมาทีก่กางลาน แต่ทั้งหมดนั้นพึงสังเกตว่าก็คงมีกิเลสมีกรรมมีพิบากอยู่จะเริ่มสันแดงยังไงก็ได้มันก็กระตกประเตือนถึงกันง จ, จะน่าจ น, สนแสดงตามความหมายแห่งองค์ธรรมที่ปรากฏในปฏิจริญป่าแต่ละข้อเนี่ยไว้ด้วยสองวิธีในวิพังกสูตรในนิทานวั์สังยุตตินิยเนี่ย ก็ทรงจำแนกแสดงลักษณะหรือสภาวะขององค์ธรรมเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะทำความเข้าใจคือว่าจะกที่บอกท่านฟังแล้วนะฮะว่าอางทีก็ซ้ำนะองค์ธรรมก็ซ้ำอยู่เง้คือทิ้งมันไม่ได้เมื่อเราอธิบายจากจากตอนปลายมหมาโค่นนะนะ ชะานี่คืออะไรชะลาคือความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเคี้ยวความเสื่อมแย่งอายุความแก่หอมแย้งอินทรีย์ของบุคคลสัตว์นั้นนั้นแสดงว่าชราชราก็คือคนแก่ที่เราแก่แก่กันนี่นะฮะแก่มากแก่น้อยก็ตามอาตมาก็แก่ท่านผู้ฟังก็แก่แต่ว่าใครแก่มากแก่น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครที่หนุ่มกว่าคนอื่นด้วยประการทั้งปวง ว่เพียงปฏิสนธิมาหนึ่งวินาทีเนี่ยมันก็เริ่มแก่แล้วเริ่มเลื่อนไหลก็สู่ความแก่แล้วและมอหนา้าคืออะไรคือความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความทําลายความอันตรธานมรรตยูความตายการละกิยาความแตกแข่งขันการทอดทิ้งซากศพความขาดแต่งชีวิตอินทรีย์จากหมูสัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆและนี่ก็คือเรื่องของความตายคือตายจริงๆกันนะ ตายอย่างที่คนตายสัตว์ตายสิ่งทั้งหลายตายนะแต่ว่าปริยายของธรรมะตรงนี้มันพูดเรื่องอะไรนะถ้าเราพูดถึงกุศลนะกุศลมันก็มีการพูดถึงความตายเหมือนกันเช่นว่าความประมาดเป็นทางแห่งความตายความไม่ประา ม, มาเป็นทางไม่ตายฉะนนั้นก็หมายความม่าในชีวิตเนี่แหลในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจยอยู่นี่แหละแต่ถ้าเราประมาดก็ชื่อว่าตายแล้ว แต่ไม่ประมาทก็ชื่อว่ายังไม่ตายแม้แต่เขาตายไปแล้วเพราะในปริยายตรงนี้มันก็ต้องมองให้ดีว่าพูดปริยายไหนคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปดวนตัดสินอะไรเลยไม่ได้มันจะต้องพูดกันให้เข้าใจซะก่อนคือบางครั้งบางคราวก็ต้องดูข้อความข้างต้นนะฮะข้างบนเนี่ยว่าข้อความเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมายัางไง แต่ถ้าที่มันอยู่ในชุดตรงนี้จงชารามรณะแล้วจะชาราวกับมรณะความหมายอย่างนี้จะหมายไปอย่างอื่นประเด็นที่น่าห่วงใหญ่ก็คือประเด็นเรื่องชาติคชาติในสังคมพวกเราระยะหลายปีมาเนี้ยมีการอาธิบายกันมันๆไปหน่อยผู้ทำนองถึงเกิดข้ความคิดคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นเราเป็นนั้นหรืออยากเป็นอย่างนั้ น, นอย่างนี้นอย่างโ น, งน้นเนี่ยถือว่าชาติ ก็แสดงว่าชาติมันอยู่ในจิตางทีละขณะขณะขณะขณะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าชาติส่วนใครจะเรียกว่าชาติก็เป็นเรื่องของคนนั้นนะฮแต่เราพูดถึงอุปา ท, ที่ติพังคะนะ่้ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นวิตกเป็นวิตกบทคือทางดำเนินของความคิดแต่ก็ไม่เรียกว่าชาติ คืออยลืมว่าพยัญชนะที่สื่อสารออกไปนั้นจะต้องสองอัฐะและฐานนั้นสามารถจินตนาการได้คือสามารถดึกได้ว่าหมายถึงอะไรเพราะพยัญชนะที่จีบมาเป็นสมมติแต่ตัวอัฐะนะเป็นตัวจริงคือเนื้อหา ม, มันเป็นตัวจริงแต่เราทํายังไงว่าพยัญชนะที่พูดออกไปเนี่ยมันบ่งบอกถึงอัฐะที่สรงกัน จะเราพูดถึงเกลือเนี่ยผู้ฟังก็นึกถึงความเค็มผู้ถึงน้ำตาลบุคคลก็นึกถึงความหวานนึกถึงสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลสีอย่างอื่นก็ได้นะน้ำตาลมันก็หลายอย่างถือถึงเกลือถ้านึกถึงรสแล้วก็คือเค็มแต่นึกถึงรูปแบบเนี่ยมันก็มีเยอะนะก็รูปแบบก็มีความหลากหลายเพราะรูปแบบเนี่ยมันหลากหลายได้นะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันไปหลากหลายไปได้ นื้อหาไม่จะต้องลงกันสมกันตอนเมื่อทรงใชก้กรรมาชาติเนี่ยอัฏฐกับพยัญชนะคือภาษากับเนื้อหาเนี่ยมันลงกันแล้วก็ลงกันทุกคนทุกแห่งเ๋ยวนี้ยังมีการพูดที่น่าเกลียดมากที่สุดเนี่ยคือพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติสัตว์นิพพานก็นไปตายต้นโพนั่นเองอันนี้คือน่าเกลียดมาก เพวประสูติก็คือประสูติประสูติก็คือเกิดสัตว์รู้นั้นเมื่อประชนพรรษาสามสิบห้าเต็มประสูติเมื่ออายุยังเป็นนาทีมานะแล้วก็นิพพานเนี่ยเมื่อประชนพรรษาสักแปดสิบมันไปยืดโยงกับประวัติศาสตร์มันเป็นการละเทศะกรุงคนบุคคลเหตุผลในด้านต่างๆมันไม่เหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าไปยืดโยงอยู่ที่ในองค์ของ เจ้าชาติทิตาหรือพระคุณเจ้าแต่ว่าในพระรุกายก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนประสูบก็เป็นเด็กเป็นเด็กเล็กๆเยงแต่ว่าแสดงถึงกฤษดาวิหนารนบุญญาธิการคือเดิน ด, ด้วยประบาทได้เจ็ดก้าตอนสัสรุก็พันษาสาสผ้าผ่านการแต่งงานมีพระโอรสมาแล้ว ตอนนิพานก็ประจนภรรษาแปดสิบแล้วรับสั่งแสดงว่าร่างกายของพระองค์แกงองอมเหมือนเกวียนที่ซ่อมโดยไม้ไผ่ไม่ใช่ทพสบาราเกวียนที่จะรับของหนักได้อีกต่อไปแต่ก็มีการนำอธิบายกันจนเกิดความสับสนและขยายผลออกไปเยอะบางทีก็มีแผนพาพแผนปิีวแจกจ่ายไปในที่ต่างๆ แล้วก็อ้างว่าอาจารย์เขาค้นพบแล้วอาจารย์คุณเป็นใครเวลาตั้งสองพันหรอยกว่าปีนะฮะไม่มีใครปอธิบายอย่างนั้นแล้วนิ่งๆลงอาอธิบายเอาขนาดพระอะาเารหันท่านอาธิบายตรงกับิบัติพระพุทธเจ้าแลเรื่องตรงนี้จะต้องทบทวนโดยอัฏถะแล้วก็โดยพยัญชนะหมายความว่าทั้งรูปแบบและเนื้อหานั้นจะต้องตรงกับที่ทรงนิยามเอาไว้ วันชาติจึงทรงนิยามว่าชาติคือความเกิดการบังเกิดความยังลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้ยตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันใดดูก่อนพิสูจนงหลายนี้เราเรียกว่าความเกิดพานความเกิดที่ทรงแสดงเนี่ยหมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้งสี่กำเนิดไม่มีสี่ กำเนิดสี 4, ขติห้าบิญญาณติติเจ็ดสัตว์วิญยานติติเจ็ดสัตตว่าเก้าอะไรเนี่ยมนั้นเป็นเรื่องลงปัวก็มนันนะฮะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนการสัสรูของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็มาค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงในกำเนิดสี 4, ก็คือเกิดใ น, นคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรก เกิดได้ผุดขึ้นนี้จึงเรียกว่าความเกิดจินุ ป, ปทานก็มีสี่แต่ ก, การมุปาทานถือมั่นโดยหน้าความใคร่ในสิ่งที่ใคร่สิ่งที่ใคร่นั้นเรียกว่าวัตถุกรรมสิ่งที่เป็นเหตุได้ใคร่นั้นคือเรียกว่าเป็นกิเลสกามเพราะวัตถุกรรมกิเลสกรรมนั้นไอ้วัตถุกรรมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะ่ะฮะ หรือถ้าใจเราไม่มีปัญหาเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่แต่เราไปกำหนดค่าไปตีค่าไปประเมินค่าเขาใจเราก็ไปกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเดียดนั้นทิฏฐปาฐานถือมั่นเริยหน้าของความเห็นความเห็นนั้นก็หลายระดับแต่มันก็สืบเนื่องมาจากเห็นว่าตนเองเป็นตัวเป็นตน เช่นว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเรามีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะะมากนะฮะคล้ายๆกับเป็นริ่มสลักปิดกั้นประตูปณิพานเอาไว้หมายความว่าคนที่จะเข้าสู่ประตูปณิพานได้เนี่ยต้องถอดริ่มสลักตรง น, นี้ออกไปถอนว่าเอโสเมอตานั้นเป็นตัวตนของเราออกไป พอยังถอนไม่ได้มันก็เข้าสู่ประตูนิ้ผ่านไม่ได้แล้วทิฏฐิเหล่านั้นก็กระจายตัวเองออกไปทั้งเรื่องกรมบ้างเรื่องสังสารวัตรบ้างก็มีนายาิยติที่วิจิตพิสดารนะฮะแล้วทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิเพียงแต่ว่ามีความเข้มข้นระดับไหนแหละอาจจะห้ามสวรรค์อาจจะห้ามนิพพานหรืออาจจะห้ามเฉพาะนิพพานไม่ห้ามสวรรค์ เพราะความเห็นผิดบางอย่างเนี่ยมัน ไ, ไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไรก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนกระทาความดีได้ก็แสดงว่าเขาไม่มีโอกาสจะบรรลุนิพพานเขาเรียกว่ามัคคาวร์หรือห้ามนิพพานเพราะอะไรเพราะเขา ย, ยึดติดในตัวตนอยู่นะะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกคือถ้ายังยึดติดในตัวตนอยู่เป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนอยู่สถิตอยู่ที่สูงสวรรค์อะไรก็ไม่รู้ล่ะ คือช่วยช่วกับช่วยกันช่วยนิรันดรเนี่ยมันก็แสดงของอัตตามันเที่ยงอัตตามันเที่ยงมันก็ไม่ใช่นิพพานอตอนเขาไม่ต้องการไปเองเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวลิ่มสลักเหมือนก็กรอนประตูที่ที่ที่ปิดไว้นะฮะล็อกไว้แต่เราก็เข้าไปไม่ได้ สิลาปรตุปาทานถือมั่นโดยศีลโดวยวัดโดยพ่อปฏิบัติที่คุ้นเคยทํามาจนชินเป็นปกตินิสัยแม้บางทีนี่เป็นเรื่องดีนะแต่ยึดติดในแนวที่เรียกว่าอย่างนี้ทอนถูกถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องนะฮะเช่นในวงการชาวพุทธเราในปัจจุบันเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติว่าถูกต้อง พุโทโธเท่านั้นถูกต้องสัมมาอรหันถูกต้องยุบหนอพองเนอเท่านั้นถูกต้องรูรู ป, ร ป, รปน้ําเท่านั้นถูกต้องก็ว่ากันไปเยอะแยะไปหมดเลยที่จริงมันก็ถูกด้วกันมันเป็นเพียงมรรคแค่ น, นั้นเองคือมรรคก็เหมือนกับถนนนะครคนมากรุงเทพไม่จําเป็นจะต้องไปมาด้วยถนนใดถนนหนึ่งแต่เนื้อหาสาระก็อยู่ที่ถึงกรุงเทพนั่นคือเนื้อหา ไม่ใช่ไปกำหนดไว้ที่ถนนคนไปยึดติดที่ถนนอยู่แล้วก็ไปทะเลาะกับคนอื่นนี่คุณมายังไงคุณมาถนนคนละถนนกับผมมันถึงกรุงเทพได้ยังไงมันก็ไม่ใช่เหตุผลแล้วก็อัตวารุปปาทานคืออัตวะทะเระว่าตนตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นมานะนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นมานะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะแยกเอาเฉพาะจิฐินั้นเป็นความเห็นอันนี้ก็ถือเป็นอัตตาตัวตนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมทั้งหมดเนี่ยที่จริงเขาก็เชื่อมโยงถึงกันก็ทั้งหมดอถ้ามีก็มีหมดถือถ้าไม่มีก็ไม่มีไปด้วยกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้ง เ, เช่นการมุ ป, ปาทานและที่ถูกปาทานเนี่ย คือดับทิฏฐุปาทานด้ง่ายกว่ากามุปาทานสีระปตุปาทานกับการมุปาทานก็เหมือนกันนะรับสีระปตุปาทานเนี่ยง่ายกว่าการมุปาทานเพ ร, ราะ ก, กามุปาท า, นะ า, านเนี่ยเมื่อมันเป็นการมราคะสังโยช น, นที่ไปตัดได้ก็คือระดับพระนาคาดีต้องฟังทนาย